ตอนที่หนึปฏิเสธของขวัญหยียนเหยียนอะไรที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เหยวนโมไม่รู้จะพูดอะไรกับเธอดีทั้งที่เขาปฏิเสธชัดเจนขนาดนี้แล้วแต่เธอก็ยังคงดึงดันหยนุนเหยียนเหยียนพินมพ์คาว่าอะไรที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ตามเขาดูท่าแล้วไม่ว่าอย่างไรเขาก็คงไม่ยอมรับรักจากเธออีกใช่ไหมเสื้อผ้าฉันซื้อมาให้พี่แล้วพี่ไม่เต็มใจรับรักฉันก็ไม่เป็นไรแต่ฉันหวังว่าพี่จะรับเสื้อตัวนี้ไว้หยนุนเหยียนเหยียนพูดจบก็ชะงักไปครู่หนึ่ง ถึงแม้ระหว่างเราจะไม่มีผลลัพธ์อะไรก็ช่างมันเธออย่างน้อยฉันก็ได้พยายามแล้วเหวืนโม่ไม่อยากรับของขวัญล้ำค่าจากคนที่ไม่เต็มใจจะคบหาด้วยเขาไม่อยากติดค้างบญคุณเธอเหย็นเหย็นที่จะเอาเงินค่าเสื้อตัวนี้ให้เธอต่อไปไม่ต้องซื้อของขวัญล้ำค่าแบบนี้มาให้พี่อีไม่ต้องให้หรอกครั้งนี้เหยืนเหย็นเหย็นรู้สึกเจ็บปวดจริงๆเธอเม้มริมฝีปากถ้าพี่ไม่คิดจะเอาก็โยนทิ้งไปเถอะหรือจะเอาไปให้ใครก็ได้ฉันขอตัวกลับก่อนนะเหย็นเหย็น อวนโมขยับปากหมายจะเรียกเธอไว้แต่หยวนเย็นเย็นกลับยิ่งวิ่งเร็วขึ้นจนรับสายตาไปเขาไม่มีทางเลือกเลยเมื่อต้องรับเสื้อโค้ตราคาแพงตัวนี้ไว้เขาจึงกับว่าจะเอาเงินไปฝากไว้ที่หลีหวานเพื่อให้เธอช่วยคืนให้เย็นเย็นยวนเย็นเย็นวิ่งเหยาะๆออกมาจากโรงพยาบาลขอบตาแดงก่ำอย่างหนักและประจบเหมาะเหลือเกินที่ได้พบกับเซียวเมียวอวินอีกครั้งตอนนี้ยวนเย็นเย็นไม่มีอารมณ์ดีเหมือนการพบกันครั้งก่อนและยิ่งไม่อยากจะเสวนากับอีกฝ่ายด้วย เซียมิวอวินทำทีเป็นยื่นมือมาขวางหยวนเย็นเย็นไว้พร้อมเอ่ยถามด้วยความหงอยใหญ่เย็นเย็นเป็นอะไรไปทําไมถึงร้องให้หนักขนาดนี้มีใครรังแกเธอหรือเปล่าบอกพี่มันนะพี่จะช่วยจัดการให้เองเรื่องของฉันไม่ต้องมาวุ่นวายหลีกไปหยวนเย็นเย็นทําแทบจะสะบัดแขนออกแต่เซียเมิวอวินกลับคว้ามือไว้แน่นไม่มีทีท่าว่าจะปล่อย เย็นเย็นที่หวังว่าเธอจะไม่มีอคติกับพี่ขนาดนี้พี่ช่วยเธอได้นะพี่สนิทกับพี่ชายของเธอพี่ทนเห็นเธอร้องให้แบบนี้ไม่ได้จริงๆเธอบอกพี่มาก่อนเธอว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายหลีกไปหยวนเย็นเย็นสะบัดมือเซียวเมียวอวินออกอย่างแรงน้ำเสียงเริ่มสั่นเครือด้วยแรงสะอื้นพี่รู้แล้วแววตาของเซียวเมียวอวินไหววูบเมื่อเห็นว่าหยวนเย็นเย็นไม่เล่นตามบทเธอก็ต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเย็นเย็นเป็นพระเวรโมชใช่ไหมพี่ได้ยินมาว่าเธอชอบเขา คราวก่อนที่ซื้อเสื้อโค้ตตัวนั้นก็ให้เขาใช่ไหมล่ะนี่เขาไม่ยอมรับน้ำใจของเธอเหรอหยุนเยียนเยียนชะงักกึกเธอรู้ได้ยังไงสำหรับเซียเ ม, มิเอะอวินการจะรู้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากขอเพียงแค่ตั้งใจสืบหาข้อมูลเท่านั้นในเมื่อคิดจะเข้าทางหยุนเหยียนเยีย น, ยยนก็ย่อมต้องลงแรงบ้างเป็นธรรมดาถ้าอย่าเพิ่งสนเลยว่าพี่รู้ได้ยังไงพี่ถามแค่ว่าใช่หรือเปล่าใช่หยุนเยียนเยียนตะโกนออกมาอย่างรำคาญ เขาไม่ยอมรับฉันแล้วจะทำไมฉันจำเป็นต้องบอกเธอด้วยเหรอเหยีนเหยียนที่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นเธอเข้าใจเจตนาดีของที่ผิดไปจริงๆที่แค่อยากจะช่วยเธอเซียเมียวอวิ๋งเริ่มหว่นล้อมเธอดูสิพี่อายุมากกว่าเธอพี่นิยมเข้าใจวิธีมัดใจผู้ชายที่สุดแล้วเธออย่าเพิ่งรีบร้อนไปเธอออกจะเพอร์เฟคตขนาดนี้นอกจากไอ้เหวโมนั่นจะตาบอดไม่อย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะไม่ชอบเธอ แม่หยวนเย็ยนเย็ยนจะไม่ค่อยชอบเซียเมียวอวินนักแต่สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พูดมากับทําให้เธอรู้สึกสนใจขึ้นมาเธอเริ่มใจเย็ยนลงเล็กน้อยและมีวิธีอะไรที่นี่ไม่ใช่ที่สําหรับคุยกันเราสองคนเปลี่ยนสถานที่คุยกันก่อนเถอะเซียเมียวอวินยื่นมือไปกุมข้อมือหยวนเย็ยนย็ยนอีกครั้งววตาดูอ่อนโยนทิ้ง ม, มีทางทําร้ายเธอหรอกหยวนเย็ยนเย็ยนไม่ได้ปฏิเสธอีกเธอเดินตามเซียวเมียวอวินขึ้นรถไปอย่างว่าง่ายเซียเมียวอวินไม่ได้อ้อมค้อมเธอพูดตรงๆว่า ที่พอจะรู้อะไรบางอย่างมาแต่สิ่งที่พี่จะพูดออกไปเธอห้ามบู่วามเด็ดขาดนะพูดมาเธออย่ามัวเสียเวลาอยู่เลยคนที่เหวนโม่ชอบคือหลีวันที่สะพ้ายของเธอใช่ไหมเซียวมิวอวิลเลอรคิ้วเธอแค่บอกพี่มาว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับพี่สะพายฉันละ่ะเธอกับพี่ชายฉันกําลังจะแต่งงานกันอยู่แล้ว เย็นๆตอนนี้เธอยังเด็กเกินไปเลยไม่เข้าใจว่าใจคนมันน่ากลัวแค่ไหนที่จะบอกความจริงให้เธอหลีหวานหน้าไม่ใช่คนดีอะไรเลยด้านหนึ่งก็ปั่นหัวพี่ชายเธออีกด้านก็ให้ความหวังเหวนโม่เซียเมียว อ, อวินแซงทำเป็นสงสารหยวนเย็นเยียนพางพูดต่อถ้าเธอไม่เชื่อก็ไปถามที่มหาวิทยาลัยการแพทย์ได้เลยในเมื่อหลีหวานไม่ได้ชอบเหวนโมแล้วทำไม ห, หลายปีมานี้ถึงยังทําตัวสนิทสนมกับเขาขนาดนั้นที่เหวนโมไม่ยอมรับเธอในใจเขาต้องยังมีความคิดอะไรกับหลีหวานอยู่แน่ๆอย่างที่โบราณว่าไว้ตกมือข้างเดียวไม่ดังหรอกนะ หัวคิ้วที่ขมวดมุ่นของหยวนเยียนเยียนลึกขึ้นอีกเธอก็ชอบพี่ชายฉันเหมือนกันเธอไม่ได้กำลังมายุ ang, แยงแต่แขงรั่วหรอกนะช่พี่ชอบพี่ชายเธอแน่นอนแต่คนอย่างที่อย่างน้อยก็มีขอบเขตเสียเมียวอวิ๋นพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นถ้าพี่เป็นหลีหวานแล้วรู้ว่าเธอชอบเวินโม่พี่คงจะหาทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้พวกเธอสมหวังกันไปแล้วไม่ใช่ยังทำตัวคลุมเครือกับเวินโม่มาจนถึงตอนนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอหยวนเยียนเยียนไม่รู้ว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พูดเป็นเรื่องจริงหรือเท็ เธอรู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่มีทางไปพิสูจน์ความจริงได้ในใจเหวนโม่ต้องยังคำหนึงถึงหลี่หวานอยู่แน่แน่เรื่องนี้ไม่ต้องพูดก็รู้แต่สิ่งที่หยวนเหย็นเยียนอยากรู้ตอนนี้คือหลี่หวานจงใจให้ความหวองเหวนโม่จริงหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นปัญหานี้ก็ดูจะร้ายแรงทีเดียวสีหน้าของหยวนเยียนเยียนเริ่มจริงจังขึ้นอย่างที่ไม่ค่อยได้เห็นนักเซียเมิวอวินเห็นดังนั้นก็รู้ว่าคำพูดของตนได้ผลจึงลุกต่อ เย็นเย็นเอาอย่างนี้ไหมเรามาลองทดสอบกันดูแล้วเธอจะได้รู้ว่าสิ่งที่พี่พูดเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกจะทดสอบยังไงเซียมิเอะอวินโน้มตัวลงกระซิบข้างหูหยวนเย็นเย็นไม่กี่ประโยคสีหน้าของเด็กสาวก็กลับมาเคร่งเครียดอีกครั้งเหวินโมไม่สามารถประเมินราคาเสื้อโค้ทที่หยวนเย็นเย็นซื้อมาได้แต่ดูจากคุณภาพแล้วคงไม่ถูกแน่เขาคิดไปคิดมาเห็นว่าควรจะถามหลี่วันดูก่อนว่าเธอรู้เรื่องนี้ไหมบางทีเธออาจจะพอรู้ราคาบ้าง ในช่วงเวลาทำงานแพทย์มีกฎระเบียบที่เข้มงวดห้ามจัด ก, การเรื่องส่วนตัวเหวินโม่จึงรอจนถึงเวลาเลิกงานตอนเย็นถึงได้ไปหาหลีหวานหลังจากหลีหวานฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเธอก็เหลือบมองถุงเสื้อผ้าที่เหวินโมถือมาถ้าฉันเดาไม่ผิดมีความเป็นไปได้สูงว่าจะซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าระดับการใช้ใจ่ายปกติของเย็ยนเย็ยนไม่ใช่น้อยๆของควันวันเกิดที่เธอส่งให้พี่คงไม่ถูกหรอกนั่นสิแล้วเธอคิดว่าเสื้อโค้ตตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ เรื่องนี้บอกยากนะเสื้อโค้ตตัวละไม่กี่ร้อยหยวนก็มีหรือจะเป็นหลักพันหลักหมื่นก็มีเหมือนกันหลิวหวานไม่รู้จํานวนเงินที่แน่นอนเธอจึงไม่กล้าพูดสุ่มสี่สุ่มห้าเธอก็ลองบอกตัวเลขมาสักอย่างเถอะจะมากจะน้อยฉันก็ต้องคืนเงินให้เธอจะไปเอาของของคนอื่นมาฟรีๆได้ยังไงพี่คิดว่าถ้าเอาเงินไปคืนเหย็ยนเย็นแล้วเธอจะยอมรับหรอหลิวหวานสายหน้าในเมื่อเธอให้พี่มาแล้วพี่ก็รับไว้เธอเงินแค่นี้สําหรับเธอแล้วไม่ได้สลักสําคัญอะไรหรอก แน่นอนว่าพี่ไม่ต้องกังวลว่าวันหน้าถ้าเธอหมดความสนใจในตัวพี่แล้วจะมาทวงเสื้อคืนไม่ได้หอกพี่เป็นผู้ชายอกสามซอกจะไปเอาของของเด็กผู้หญิงมาเฉยเยได้ยังไงเสื้อโคตตัวนี้ต้องของเงินที่บ้านมาซื้อแน่ๆถ้าเกิดวันหลังทางประยูนรู้เข้าพี่จะยิ่งอธิบายลำบากเวนโมปฏิเสธอย่างเด็ดขาด